เสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์ตอนที่หนึ่งส่งญาติขึ้นฟ้าจะทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยพุทระวะลายสีและครอบครัวการจะส่งคนขึ้นสวรรค์คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีท่องสวรรค์ไม่ต้องเห็นสวรรค์ให้ได้ด้วยตาตนเองก่อนเอาแค่รู้วิธีทำให้ญาติใจเบา พอจะลอยจากโลกนี้ไปอย่างไร้พันธะก็พอรำลึกถึงวันส่งแม่ขึ้นฟ้าถ้ากำลังจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลอันเป็นที่รักในเร็ววันผมเข้าใจความรู้สึกของคุณครับเพราะผมเองเคยสบตาแม่ขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่ากำลังจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้ว ตอนที่แม่ยังมีลมหายใจกับตอนที่เหลือแต่แม่ในความทรงจำแม่ดูมีชีวิตเท่าๆกันสำหรับผมอาจจะเพราะไม่ว่าจะยังอยู่ใกล้ๆหรือจากโลกนี้ไปไกลแล้วแม่ก็มีความหมายทางใจต่อผมเท่าเดิมนึกออกอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตที่รักแม่และแม่รักเป็นอย่างไรความทรงจำเกี่ยวกับแม่เริ่มตั้งแต่ครั้งยังแบเบ เมื่อลืมตาขึ้นเห็นภูเขาหลังบ้านเป็นการเห็นยังรู้ว่าตัวเองนอนอยู่ในอ้อมกอดแม่และกำลังรู้สึกอบอุ่นแบบลูกมีแม่คนเรารู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยนเป็นก็เพราะเคยเห็นรอยยิ้มของแม่เคยได้อยู่ในมือแม่เคยได้อยู่ในอ้อมอกแม่สัมผัสอบอุ่นละไมของแม่ช่วยพรากเราออกจากฝันร้ายและเสียงร้องไห้วกลวของตัวเอง แล้วก็ทำให้เราโตขึ้นด้วยความเชื่อมั่นว่าจะวิ่งตามเสียงหัวเราของแม่กลับไปหาฟันดีได้เสมอช่วงแรกที่เริ่มรู้ความธรรมชาติไม่เปิดโอกาสให้เราจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับแม่ได้มากนะักเราต้องโตขึ้นอีกหน่อยถึงตระหนักว่าแม่คือผู้หญิงที่อุ้มเราเดินเล่นกลั่นน้ำนมให้เรากินและให้กาเนิดเราออกมาลืมตาดูโลก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 ตรงข้ามจุดแห่งความอ่อนโยนในหัวใจจะคงอยู่ตลอดไปเพียงระลึกแล้วรู้ตัวว่าแม่เราแสนดีเหมือนนางฟ้าแม่เคยให้ดูข่าวเด็กพิการที่ไม่ยอมแพ้ชะตาชีวิตยังคงช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือคนอื่นๆในครอบครัวที่ต่างก็ชราภาพกันหมดแล้วแล้วแม่ก็สอนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจับใจว่าดูไว้เป็นตัวอย่างนะลูกเห็นไหมเขาสู้ ผมจำคำที่แม่พูดได้อย่างแม่นยำมาจนถึงวันนี้เรนนั้นเป็นวาราจิตแห่งความรู้สึกอบอุ่นเข้มแข็งที่สุดในวัยเด็กจากการสัมผัสความเป็นแม่ผู้ให้ทั้งชีวิตให้ทั้งจิตสำนึกบรรดาลให้ส่วนลึกของผมเห็นค่าของชีวิตแล้วก็ไม่เคยคิดยอมแพ้แม้ต้องเจอกับเรื่องยากลำบากแค่ไหน น้ำเสียงนุ่มนวลแฝงความเข้มแข็งอย่างน่ารักของแม่ผมไม่เหมือนใครแค่คุณได้ยินครั้งแรกก็จะจําได้แล้วรู้ว่าเป็นท่านเมื่อได้ยินอีกผมมาทราบชัดว่าตัวเองรักและอยากฟังน้ําเสียงของแม่เพียงใดก็เมื่อท่านไม่มีเสียงจะพูดเป็นสาบแสงเต็มปากเต็มคําเหมือนอย่างเคยอีกแล้วในความทรงจําของผม แม่เป็นคนอารมณ์เย็นเดินเนิบหน้าระบายยิ้มอ่อนๆและคอยส่องตาดูว่าลูกคนใดกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนพวกเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องห่วงใยและดูแลพวกเราเสมอพอโตขึ้นมาหน่อยผมถึงรู้ว่าแม่ก็คิดมากเป็นน้อยใจเป็นหงุดหงิดเป็นและบางครั้งก็เหงาเป็นแต่จะเก็บเงียบ ไม่ค่อยพูดคุยระบายความอึดอัดให้ใครฟังโดยเฉพาะเมื่อหงุดหงิดจะออกแนวขมวดคิ้วนิดหน่อยแล้วคลายเองในเวลาไม่นานนักที่สำคัญคือชั่วชีวิตของผมไม่เคยได้ยินแม่พูดคำหยาบเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะหยาบคายกับใครไหนๆก็ตามที่แม่โกรธหรือน้อยใจแล้วผมก็มาเริ่มไม่สบายใจ เมื่อเห็นช่วงปลายของชีวิตของแม่ดูจะขี้งุ่นหงิดบ่อยขึ้นบ่นจุกจิกให้เห็นมากขึ้นและผมก็ไม่โทษอะไรอื่นใดเพราะทราบสาเหตุที่แท้จริงคือแม่เล่นหุ้นและโชคก็ไม่ค่อยเข้าข้างแม่นักวันเดือนปีล่วงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดตามการกวากมือขอให้ชะลอลงของใครจากไม่สบายใจความรู้สึกของผมทวีขึ้นเป็นหนักใจ เราเห็นอยู่ว่าสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีจะถึงเวลาจากไปเมื่อใดก็ไม่รู้ผมเคยพูดกับแม่ตรงๆว่าผมเป็นห่วงอยากให้แม่เลิกเล่นหุ้นไม่อยากให้เสียดายเงินแต่อยากให้เสียดายสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียดายสภาพจิตที่ดีๆเท่าที่แม่เคยมีอยู่เพราะนั่นมันทําให้เป็นสุขได้ยิ่งกว่าเงินเป็นหมื่นเป็นแสนที่เวียนเข้าเวียนออกในแต่ละวันมากนะัก แม่ไม่ค่อยพอใจที่ผมพูดและบอกว่าแม่เล่นเล่นเล่นแต่ผมว่าความร้อนของแม่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยมหาแม่ทีไรรู้สึกถึงความกระวนกระวายไม่ค่อยอยากคุยกับลูกๆพะวงอยู่แต่หน้าจอรอดูหุ้นขึ้นหุ้นลงทั้งวันความรู้สึกของผมเหมือนเห็นแม่ถูกจับไปทรมานไม่เป็นอิสระไม่มีความสุขกับเงินที่เหลืออยู่อีกมาก แต่กลับเป็นทุกข์กับเงินที่เสียไปเพียงส่วนน้อยแล้วของแบบนี้ใครมาพูดให้เลิกเสียดายก็ยากในเมื่อใจปักอยู่กับความเสียดายไปแล้วและคิดแต่ว่าทำอย่างไรจะเอาคืนมาผมไม่รู้ละเอียดนะักเกี่ยวกับสถานการณ์ในพอร์ตหุ้นแต่ทราบซึ้งดีเกี่ยวกับสถานการณ์ในใจแม่มันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเป็นสุขเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดได้ว่า แม่แก่ตัวลงทุกทีแทนที่จะสงบอ่อนโยนกว่าเดิมกลับว้าวุ่นและดูแข็งขึ้นยังไม่เคยเป็นเหมือนผมเห็นแม่ใกล้จะถึงเวลาออกเดินทางแต่กลับไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่จัดหาสเบียงไม่สะสมน้ำเลี้ยงไว้แก้กระหายบ้างเลยอันที่จริงแม่ผมทำบุญเยอะเพราะเคยเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านของบริษัทที่คุณพ่อทางาน แล้วก็เป็นหัวเรียวหัวแรงในงานกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดถึงแม้คุณพ่อของผมกเกษียณแล้วก็ยังมีคนที่ยอมรับนับถือแม่ติดต่อมาขอให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบุญอยู่เรื่อยๆแต่ผมทราบดีว่าบุญใหญ่ที่สุดคือการพัฒนาจิตวิญญาณให้สว่างชุ่มเย็นและพร้อมเดินทางอยู่เสมอสำหรับคนคนหนึ่งแล้วบุญอันเกิดจากการเปลี่ยนโลกภายใน ยิ่งใหญ่กว่าการมีส่วนเปลี่ยนโลกภายนอกมากนักแม่เสียเวลาลหลายปีสแสวงหาเงินที่มีพออยู่แล้วแต่กลับไม่สแสวงหาความชุ่มเย็นที่ยังไม่ค่อยมีแต่จะพูดกับแม่อย่างไรได้ในเมื่อผมเป็นลูกและแม่ทุกคนก็มีความทรงจําตอนลูกเป็นเด็กเล็กมากกว่าตอนลูกโตเป็นผู้ใหญ่เสมอ ช่วงนั้นผมว่างผมมักนั่งคิดว่าจะมีทางใดให้แม่ฝักใฝ่ธรรมะแทนหุ้นจริงอยู่แม่อ่านหนังสือของผมบ้างอย่างเช่นนวนิยายเรื่องทางนรืพานแต่แม่ก็ชอบแบบคอนิยายหรือแม้กระทั่งเสียดายคนตายไม่ได้อ่านซึ่งเพิ่งวางแผงไม่นานนักแม่ก็อ่านบ้างเพราะเห็นเป็นหนังสือดังของลูกไม่ใช่เพราะอยากรู้ว่าอะไรน่าเสียดาย ถ้าต้องตายเสียก่อนจะได้อ่านที่สำคัญงานธรรมะแบบที่เป็นหนังสือจะยึดครองจิตใจคนอ่านไว้ได้เพียงช่วงสั้นๆอ่านจบเดี๋ยวก็ลืมคิดไปคิดมาผมก็บอกตัวเองว่าจำเป็นต้องมีธรรมะที่น่าสนใจและอ่านได้เรื่อยๆอย่างสม่าเสมอจึงจะประคองใจให้แม่ไม่ลืมนึกถึงธรรมะ แต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะเอาอย่างไรดีเพราะถ้าให้แม่เต็มใจอ่านก็ต้องอ่านจากหน้ากระดาษไม่ใช่จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งแม่เคยชินที่จะใช้ดูแต่กระดานหุ้นท่าเดียวแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้คนอ่านกันมากๆแม่จะได้ไม่รู้สึกเหมือนถูกเจาะจงให้อ่านอยู่คนเดียวแล้วคาตอบของโจทย์สาคัญก็มาถึงเอง ทางนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ซึ่งคนไทยตามอ่านกันทั่วประเทศในตอนนั้นติดต่อขอให้ผมลงบทความในลักษณะาถามตอบธรรมะใกล้ตัวจับต้องได้ในชีวิตประจำวันเพราะเห็นว่าผมทำอยู่แล้วทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผมก็รีบตอบรับทันทีด้วยความดีใจรู้สึกว่านี่แหละที่ผมต้องการนี่แหละที่ผมจะช่วยให้แม่อ่านธรรมะได้บ่อยเมื่อต้องตั้งชื่อคอลัมน์ ผมก็เลือกเป็นเรี่มสเบียงไว้เลี้ยงตัวซึ่งก็คือการเล็งไว้ในใจเงียบๆว่าครั้งนี้ผมจะเขียนอะไรยาวๆอย่างต่อเนื่องหลายๆปีจุดหมายหลักก็เพื่อเป็นสเบียงให้แม่นั่นเองผมนำคำถามทั้งเก่าและใหม่ที่น่าสนใจและเห็นว่าชาวบ้านทั่วไปอยากรู้กันมากที่สุดมาตอบเช่นถ้าวิบากกรรมมีจริงทาไมคนชั่วยังรอยนวลหรืออย่างเช่น ทำไมคนสวยถึงมักใจร้ายถ้าเคยทําทานรักษาศีลมาดีขนาดนั้นผมไม่หลบเลี่ยงคําถามเพราะทราบดีว่าสิ่งที่คนอยากรู้อยู่เองจะช่วยเปิดใจให้อยากรับฟังอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นเป็นธรรมะยาขมแต่กลับจะเป็นธรรมะขนมหวานบางคําถามต้องตอบแบบอิงพระพุทธวจนะ ให้รู้ว่าเนี่ยผมไม่ได้คิดเองบางคำถามผมจำเป็นต้องสร้างข้อคิดคำคมสั้นๆมากระแทกให้สะดุ้งหูตาตื่นบางคำถามผมจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางจิตวิทยาสังคมเพิ่มเติมรวมทั้งเข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของปัญหาโดยตรงเพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาอย่างถ่องแท้ก่อนมาตอบอย่างมั่นใจว่าใช่ทางออกแน่ การคลายข้อสงสัยทำความเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยเกี่ยวกับหลักแห่งกรรมและวิบากตลอดจนเหตุผลของการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดยังไม่รู้อิโนโนอิเนเอก็เหมือนการขึ้นบันไดทีละขั้นค่อยๆแกะค่อยๆ ก, กระเทาะอุปาทานทั้งหลายออกไปทีละเปลอกนโยบายให้ถามทีละข้อแก้สงสัยทีละข้อเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี ในนิตยาสารที่มีคนอ่านหลายแสนทำให้ได้รับเสียงสะท้อนตอบอันเป็นบวกจากหลายทิศหลายทางและหลายๆเสียงดังกล่าวก็เป็นคนรู้จักหรือญาติของแม่ที่มีมาถึงหูแม่เองจึงเหมือนเป็นแรงเสริมส่งให้แม่เกิดความกระตือรือร้นอยากติดตามอ่านต่อมากขึ้นอีกสาวระสสำคัญอันได้จากการอ่านเรื่องเกี่ยวกับกรรมวิบากอย่างน้อยก็ช่วยให้รู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาว่า ชีวิตเป็นสิ่งมีเหตุผลไม่ใช่เกิดเองลอยลเพื่อแตกดับไปสู่ความว่างเปล่าเป็นอากาศสาตวความแตกต่างทั้งหลายมิใช่ฝีมือของความบังเอิญแต่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเสมอทุกคนกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็เป็นการเดินทางในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเสี่ยงภัยหาใช่การเดินทางท่องเที่ยวในสวนสนุกที่มีแต่ความบันเทิงไม่ เมื่อแม่สนใจเรื่องข้างนามากขึ้นก็คิดเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจมากขึ้นเช่นกันสิ่งที่ยืนยันคือหลังจากอ่านเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวได้ประมาณสองปีครึ่งอยูยูแม่ก็พูดออกมาเองว่าอ่านแล้วอยากเอาเงินที่มีไปทําบุญให้หมดเลยนั่นเป็นหนึ่งในเสียงสวรรค์ที่ทําให้ผมคลายใจหายห่วงและรู้สึกว่าได้เสิ่งที่ต้องการแล้วจริงๆต้องเล่า ว, ว่า ก่อนแม่จะพูดอย่างนี้ผมดีใจอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วคือเห็นแม่ใส่ใจหุ้นน้อยลงกลับไปใจเย็นเหมือนเดิมไม่ถือสาหาความไกลง่ายๆนอกจากนั้นสัปดาห์ไหนที่แม่อ่านแล้วประทับใจหรือได้คำตอบที่คาใจมานานแม่จะโทรมาและบอกว่าชอบมากซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็บอกแม่ไปตรงๆว่าจุดเริ่มต้นของเตรียมสมเด็ไวเลี้ยงตัวนั้น ผมตั้งใจเขียนให้แม่อ่านโดยเฉพาะถ้าคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยก็เพราะผมตั้งใจทำเพื่อแม่นั่นแหละดูเหมือนแม่จะชื่นใจมากและผมเองก็ดีใจที่ไม่ต้องเอ่ยให้เป็นที่สะดุดใจแม้แต่คำเดียวว่าแม่ครับเตรียมตัวนะปีพุทธศักราชส5 5 0แม่เริ่มเป็นหวัดเจ็บคอตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเมษายน มีไข้รุมๆในช่วงเย็นแทบทุกวันหาหมอก็หลายครั้งแต่ไม่ดีขึ้นเลยกลับจะเพลียลงเพลียลงซึ่งทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโรคหัวใจซึ่งมีมาแต่ไหนแต่ไรวันที่8พฤษภาคมหลังฉลองวันเกิดแม่ได้เพียงวันเดียวแม่ก็แสดงอาการเหนื่อยอ่อนอย่างผิดปกติผมยังจำภาพนั้นได้ติดตาแม่ยืนเหมือนจะทรงตัวไม่อยู่ตาลอยแลวบอกว่ารู้สึกหวงหวง ผมเคยเห็นแม่ทำท่าหมดแรงมาหลายครั้งแต่ไม่เคยนึกห่วงเลยผิดกับครั้งนี้ที่เห็นแล้วทราบว่าเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาแล้วคุณพ่อพาแม่ไปพบหมอและจัด ก, การตรวจเบื้องต้นหมอก็พบว่าระบบ ก, การทำงานของตับแม่ผิดปกติจากนั้นเมื่อตรวจให้ละเอียดก็พบว่าแม่เป็นมะเร็งในท่อทางเดินน้ำดีซึ่งเข้าขั้นร้ายแรงเกินกว่าจะเยียวยา มาเร่งลุกลามและกระจายทั่วไปหมดเสียแล้วช่วงแรกแม่นอนที่บ้านทุกอย่างยังเกือบเหมือนปกติแม่พูดคุยโต้อตอบเหมือนธรรมดาญาติมาเยี่ยมก็คุยเฮฮาเหมือนเกา่าแม่เป็นคนรักสวยรักงามยังคงดูแลตัวเองอย่างดีหวีผมนานจัดการกับตัวเองพิถีพิถันจนหลายคนเห็นแล้วไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นจนอยู่จนไป ทุกคนพร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวก็หายรอยต่อหรือทางแยกของภพชาติก็ไม่อาจปรากฏเป็นที่สังเกตเห็นด้วยตาเปลา่าโรคส่วนใหญ่ไม่ได้อุดปากอุดจมูกคนป่วยไว้ให้ดิ้นคลุกบคลักตลอดเวลาแถมบางโรคแม้มาเพื่อเอาชีวิตก็เปิดโอกาสให้คิดได้พูดได้หรือกระทั่งแสดงอากับกิริยาได้เหมือนปกติอยู่นาน จากที่พอจะขยับเคลื่อนไหวได้บ้างแม่เริ่มเชื่องช้าลงและในที่สุดก็ขยับเคลื่อนไหวยากท้าว่าลางดีก็ยังอุตส่ามีให้เห็นเมื่อพระที่แม่เคารพนับถือมาเทศโปรดแม่ถึงกับลุกจากเตียงมาส่งท่านที่รถแม้ช่วงนั้นจะลุกเดินลำบากแถมพยายามยกมือขึ้นพนมไหว้ท่านทั้งที่จะขยับตัวแทบไม่ไหวอ ย, อยู่แล้ว นั่นแสดงให้เห็นจิตที่ยังคงผูกอยู่กับกุศลละธรรมและยินดีกุธิธเรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อการบุญการกุศลโดยไม่ใยดีว่าสังขารจะเอาด้วยหรือไม่วันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2550แม่เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะและไม่สามารถกินอาหารได้อีกต่อไปเท่านั้นทุกคนก็ตรหนักว่า ครั้งนี้แม่จะไม่ได้กลับออกมาจากโรงพยาบาลอีกแล้วแม่พูดคุยได้ยากขึ้นและนั้นก็เหมือนแม่เข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่แปลกแยกจากพวกเราคนเราดูเป็นปกติที่สุดก็ตอนพูดได้เคลื่อนไหวได้แต่เมื่อพูดยากเคลื่อนไหวยากก็กลายเป็นผิดปกติไปเหมือนจะสัแดงอาการบอกเป็นไนยะว่าจะไม่ได้คุยกันอีกแล้ว ผมสงสารจับจิตก็เมื่อวันหนึ่งเห็นแม่พยายามลุกขึ้นนั่งอย่างยากลำบากพอใครๆในห้องถามว่าจะไปไหนแม่ก็ตอบกระท่อนกระแท่นว่าจะไปวัดจะไปทำบุญแม่ไม่ได้พยายามครั้งเดียวแต่หลายครั้งและแต่ละครั้งผมสัมผัสได้ถึงความแข็งใจอดทนพยายามจะทำให้สำเร็จให้จงได้ในความสงสาร ผมมีความดีใจเจออยู่ด้วยนั่นก็เพราะทราบดีว่ากำลังใจในช่วงเท็ท้ายของชีวิตมนุษย์นั้นพุ่งไปทางไหนก็แสดงนิมิตในทางนั้นให้ปรากฏชัดแม่บอกว่าอยากไปวัดก็เท่ากับแม่บอกว่ากำลังจะไปสวรรค์นั่นเองเมื่อแม่มีความสว่างนับปลายทางรอท่ามิใช่เดือนดับมิใช่ดวงอาทิตย์ลับลาแน่แล้วผมจะต้องห่วงกังวลอะไรอีกละ่ะ บางคืนแม่ฝันร้ายเพราะร่างกายอันกระสับกระส่ายทาดลมแปรรวนบีบจิตให้ไม่เป็นสุขซึ่งก็เหมือนตอนที่คนเราป่วยไข้ย่อมฝันเห็นโน่นเห็นนี่ในแบบบันทอนกำลังใจเหมือนชีวิตไม่มีอะไรดีเลยไม่มีความหวังรออยู่เลยแม่ตื่นขึ้นมาแล้วเงียบซึมตามองเพดานแบบทอดอะไรตายอยากใครพูดด้วยก็ไม่พูด ผมก็นึกรู้ว่าแม่คงฝันเห็นอะไรที่ทำให้ใจเสียคนเรานั้นต่อให้คิดดีพูดดีทำดีไว้มากเพียงใดถ้าร่างกายรบ ก, กวนหรือกำลังปรวนแปรแพ้โรภคภัยไข้เจ็บอย่างไรก็คงฝันดีไม่ไหวผมจึงพูดสั้นๆกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องกลัวสิ่งที่แม่เห็นว่าน่ากลัวในฝันมันเกิดจากการเบียดเบียนของโรคไม่ใช่อะไรที่แม่ต้องไปเจอจริง ถ้าใจจริงแม่อยากไปวัดในที่สุดแม่ก็จะได้พบอะไรที่สวยเหมือนวัดรออยู่ต่างหากแม่ฟังจบก็คลายสีหน้าท่าทางสบายใจขึ้นและกลับมาอ้อมแอมพูดจากับใครๆรอบตัวได้ใหม่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการช่วยให้ผู้ป่วยหนักคลายจากความกังวล น, นั้นมีความสำคัญขนาดไหน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่างกายดูแลยากแต่ส่วนจิตใจจะว่ายากก็ยากหรือจะว่าง่ายก็ง่ายคือถ้าไม่รู้จะทำให้ผู้ป่วยสบายใจได้อย่างไรก็นับว่ายากแต่จะง่ายถ้าเข้าใจจริงๆว่าผู้ป่วยต้องการอะไรอยากฟังคำไหนที่สุดซึ่งคนที่รู้ดีก็คงไม่มีใครเกิน ญ, ญาติที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างใกล้ชิด เห็นจิตเห็นใจกันมาก่อนเนิ่นนานหลังจากที่แม่รู้ว่าควรเตรียมรอรับวาระสุดท้ายด้วยจิตที่เป็นกุศลแม่ก็พยายามเอาชนะความหน้าหงุดหงิดทางกายหันมารบายยิ้มหวานด้วยใจที่พร้อมสละความคิดรบกวนจิตใจออกไปไม่อะไรในตัวตนเก่าทั้งนี้ก็เพื่อรักษาจิตให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่อง วันเสาร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2550ช่วงเช้าราว8โมงเศษพวกลูกๆได้เปิดซีดีเทศนาธรรมอัน ง, งดงามให้แม่ฟังผมสังเกตเห็นแม่ตั้งใจฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจกับทั้งเกิดปิติทราบซึ้งในคำสอนจากพระท่านทุกคำโดยเฉพาะที่ท่านกล่าวว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หลังจากฟังเทศมาจนถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงแม่เกิดความอึดอัดทางกายกระทั่งรู้สึกเหมือนจะไปไม่รอดแม่ก็พยายามบอกเราถึงความปรารถนาครั้งสุดท้ายซึ่งแม้จะออกมาไม่เป็นศัพท์เป็นคำเท่าใดนักแต่ผมก็เดาถูกว่าแม่วานพวกเราไปนิมนต์พระมาสวดให้ฟังเมื่อผมถามเพื่อความมั่นใจว่าแม่ต้องการเช่นนั้นใช่ไหมแม่ก็พยักหน้ารับว่าถูกแล้ว แมต้องการเช่นนั้นผมก็ต่อโทรศัพท์กราบนิมนต์พระอาจารย์ที่แม่เคารพนับถือให้ช่วยกรุณามาโปรโดทันทีพระอาจารย์ท่านรับนิมนต์โดยบอกว่าหลังจากเทศ ญ, ญาติโยมเสร็จจะมาทันทีซึ่งผมประมาณเวลาไว้ว่าน่าจะสักสองชั่วโมงก็คงมาถึงโรงพยาบาลจึงบอกแม่ตามที่คาดเอาไว้ซึ่งพอแม่ทราบเช่นนั้นก็ร้องเสียงหลงด้วยความกลัวจะไม่ทัน แต่ผมมั่นใจว่าทันจึงบอกแม่ให้ใจเย็นเถอะลูกๆจะซื้อของเตรียมถวายสังฆทานให้แม่เองชาวพุทธผู้ใกล้ตายทุกคนจะทราบซึงดีว่าจีวรพระมีความสว่างสวยัยเป็นกำลังใจได้ยิ่งใหญ่ปานใดและนั่นเป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์แห่งความอึดอัดที่ผมเห็นแม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อจริงๆอยู่ให้ทันเห็นพระหลังจากทนถูกโรคร้ายทาทารุณ จนอยากขาดใจพ้นทรมานเสียให้รู้แล้วรู้รอดแม่พยายามตั้งสติและมีกำลังใจข่มความเจ็บปวดเพื่อรอพระมาโปรดซึ่งก็สำเร็จผลพระอาจารย์ที่แม่เคารพบูชาเดินทางมาถึงในเวลา11บนาฬิกา15หนาทีแม่ลืมตาขึ้นมองท่านด้วยสายตายินดีพวกเราไม่รอช้าจัดการให้แม่ได้ถวายสังฆทานโดยวิธียกถังไปถึงมือให้แม่แต่ และจึงค่อยยกประเคนหลวงพ่อต่อจนครบทุกถังผมก็บอกแม่ดังๆว่าแม่ถวายสังฆทานสำเร็จแล้วนะแม่ทำบุญทันแล้วเห็นไหมทุกคนรู้สึกถึงมหาสมนัตที่บังเกิดขึ้นกับแม่แม่ตื่นตันจนสะอึกสะอื้นออกมานาทีนั้นผมได้เห็นกับตาว่าความสว่างแห่งบุญมีค่าเพียงใดโดยเฉพาะในยามสนธยาแห่งชีวิต ที่แลดูทุกสิ่งพร้อมกันมืดมัวลงไปหมดจากนั้นพวกเราก็ได้พบปาฏิหาริย์ของพลังชีวิตระลอกใหม่แม่มีชีวิตต่อสภาพแทบเป็นปกติราวกับไม่เคยป่วยไข้แถมเช้าวันต่อมาหม อ, อยังเอ็กซเรย์พบว่าน้ำในปอดลดลงไปกว่าครึ่งซึ่งนับว่าเหลือเชื่อกระทั่งคณะแพทย์ต้องช่วยกันวินิจฉัยว่า เหตุใ ด, ดสถานการณ์จึงพลิกกลับจากความเป็นายได้ขนาดนั้นแม่พูดชัดขึ้นจากที่พูดแทบไม่เป็นคําแล้วสิ่งที่พวกเราได้ยินจากปากของแม่ล้วนเกี่ยวข้องกับพระและธรรมะเย็นใจแม่เล่าว่าฝันเห็นพระท่านมาบอกว่าวันนี้วันพระนะซึ่งนั่นก็ตรงกับวันพระจริงๆผมโล่งอกและปราศจากความคลางแคลง อย่างสิ้นเชิงแม่จะไม่ไปแค่สวรรค์แต่ต่อจากสวรรค์ยังมีวาสนาได้ฟังธรรมะกับทั้งจะเป็นผู้ว่าง่ายเมื่ออยู่ต่อหน้าพระผู้รู้สืบไปเวลาผ่านไปอีกไม่นานแม่ก็หลับมากกว่าตื่นเหลืออีกวันเดียวจะสิ้นเดือนกรกฎาคมแม่นอนหลับอย่างสงบและไม่ตื่นขึ้นมาอีก ดีแล้วที่มาเร็งเปิดโอกาสให้พวกเราเห็นใจและสั่งเสียกันนานหลายเดือนแม่ได้รู้ในช่วงสุดท้ายว่าคุณค่าของแม่นั้นมีต่อพวกเรามากมายปานใดก็ด้วยการที่ทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ก, กันสแสดงให้เห็นโดยมาอยู่กับแม่จนวันสุดท้ายเพื่อร่วมกันส่งแม่ขึ้นฟ้าเวลาที่แม่จากไปเป็นเวลาที่วันแม่กาลังจะมาถึง บางคนในโลกอาจยังไม่ถึงเวลาเข้าใจความหมายของการมีแม่ขณะที่ผมได้เข้าใจชัดว่าความทรงจำร่วมกับแม่มีอยู่เพียงใดผมก็ไม่อาจเพิ่มเข้าไปได้อีกแล้วและสิ่งที่ผมเลือกที่จะเก็บไว้ในความทรงจำสุดท้ายเกี่ยวกับแม่ก็คือพวกเราได้ช่วยกันส่งแม่ขึ้นฟ้าในช่วงใกล้วันแม่ปี 2, 5 5 0 มีคำพูดเพียงน้อยเกิดขึ้นในหัวไม่มีสิ่งใดผิดคาดไม่มีสิ่งใดต้องมาเสียใจทีหลังและไม่มีสิ่งใดเตือนให้ต้องกระวนกระวายว่าจะทำบุญใดส่งให้แม่ดีในเมื่อแม่มีบุญติดตัวไปชนิดที่ทุกคนเห็นกับตาว่าน่าหายห่วงขนาดไหนแล้วผมจึงได้แต่กลั่นคำออกมาเพียงสั้นว่า ตาแลแม่เราป่วยไขย้ด้วยใจอยากป่วยแทนท่านฝากฟ้าดูแลแทนกันในวันแม่ข้าลาดิน